แล้วก็ภาวนาตอไม่้แต่เนี่ยมันมันบ้าเลยเป็นระดึกยางนคืออยู่มันมีคำคิดมันผุโผกขึ้นมาเหมือนที่บ้านกันว่า่ะเมื่อวานตอนตอนอวชถ้ำที่หนูภาวนาอยู่แล้วเดินไปเดินมาแล้วเสียงยุ่งค่ะมันวีวิวิ้นแล้เราก็เฉยก่อนหน้าสองคืนตัวเนี้ยเราจะรีบปัดโดยพลวังเลยแล้วเมื่อคืนเนี้ยเราไม่ปัดแล้วมีเสียงของบ้านอาจารย์สงกรานะคะท่านก้องขชินาว่า เธอถามตัวเออเธอถามตัวตธอเองสิว่าเธอสบายไหมคือก่อนหน้านะคะตอนอยู่วัดสนามหนอเราไปถามหลวงพ่อสมบูรณ์ทีนี้เราถามว่าของพ่อค้าเราจะเจำเริญภาวนาในรูปแบบเนี่งนานแค่ไหนแต่วันอืแล้วหลวงพ่อสมบูรณ์แต่ว่าท่านจงหน้าแล้วท่านบอกว่าเธอก็ถามตัวเองดูสิว่าเธอสบายไหม เขาท่านก็ห่วงแล้วเขาเราก็ทำหน้างงแบบนี้ค่ะเขท่านก็ทำตาดุดก็ท่านให้เข้าไปใกล้ท่านหูไม่ได้ยินออืทำซาดุดดุแล้วท่านถามแบบจริงจังหน้าเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้ยความสตกใจเพราะว่าเสียงลอยออ่ยเข้าใจค่ะแล้วก็เดินออกมาแล้วเพาออกมาพ้นจากสารางหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ใส่ใจไม่เอาไม่สนใจดีกว่าตอบอะไรไม่รู้ไม่เรื่องอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้งไปเลยค่ะ แล้วพอเมื่อวานเสียงหลงพ่อโผล่ขึ้นมาแล้วทําให้รู้สึกว่ามันปื้มอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่ว่าให้ถามตัวเองดูว่าเธอสบายดีไหมก็หมายถึงว่าถ้าเราวังเฉยได้เราก็สบายอย่างนี้ออืมันก็ว่าเราได้คําตอบว่าเราปื้มมารู้สึกว่าเออเราต้องไปขอกรรมาลหลวงพ่อที่เราแบบหมดมอใส่ข้ามั่นธรรมดาเรารู้สึกว่ามันควาคิดตรงนี้จังเมื่อกี้พาวนาไม่ได้เลยได้ยินแด่เสียงนี้อย่าอย่าไปสนใจมัน ให้มันขึ้นมาให้มันดูสิว่าเออมันขึ้นมาแล้วมันมีปีติมีปราโมทมีความเคารพศรัทธาอย่าเพิ่งไปถ้าันให้เพื่นี้มันยุบลงก่อนถ้าคุณไปทําตอนนั้นเดี๋ยวคุณไปทาด้วยความหลงมันแค่อารมณ์อ้าวแล้วอารมณ์ปกติธรรมดาธรรมดาเมื่อกี้มันเราไปไหนก่อนเป็นอันนั้นอ่ะไปไหนก่อนเป็นอันนั้นน่ะมันไปไหนแล้วสังเกตดูมันมาจากสาเหตุอะไรสาเหตุอันนี้มันเกิดอะไรเกิดจากการเคยฟังครั้งหนึ่งแล้วมันได้เข้าใจ ใช่ไหมเราก็เกิดปฏิฆะเกิดกัดเครืองใช่ไหมพอวันนี้มันเข้าใจปุ๊บมันก็ย้อนนึกถึงไอ้สิ่งที่คุณพูดไว้มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีหรอกให้มันขึ้นไปเลยอย่าขึ้นขึ้นไปเลยแต่เราก็รู้เราไปต่อเนี่ยใช่แต่มันแบบมันช่างมันเอให้มันขึ้นไปเถอะขึ้นเราก็เล่นของเราไปเรื่อยๆพอมันขึ้นอย่างนั้นปุ๊บันจะไปฟังมันมากอย่าไปสนใจมันมากให้สนใจเสียงนกเสียงอะไรดีไป ให้สนใจเสียงภายนอกไปอย่าลืมตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในวังวนข้างในแล้วต้องสนใจข้างนอกเราเล่นๆไปเออเนี่ยเสียงนกได้ยินเสียงนกเสียงจริงหรีดทั้งเกลีดูไหมตอนเนี้มันไม่ค่อยจะยินเสียงอะไรเลยทีนั้นังเดียวใช่ไหมแต่เสียงนกเสียงจริงหรือมัง่งร้อนมั่งเย็นมั่งเคลื่อนไหวอยู่บ้างอันเนี้ของจริงอันนั้นคือของมา ย, ยาแต่ถ้าเราไปมัวแต่ไปกับมันปุ๊บเราจะลืมพวกนี้ไงพอลืมพวกนี้ปุ๊บจิตเราก็โอนเข้าไป โอนเข้าไปโอแล้วก็ไปซึมซาบซึมซับอะไรสำนึกถึงบุญคุณ ถ, ถึงถึงถึงโทษอะไรสารพัดมันจะมาเรื่อยเ ป, ปื่อยเออมันจะปรุงแต่งเนี่ยเขาเทวุตามานรู้สึกว่าเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมากมีอะไรหรอนี่แหละหลายคนบา้าพระก็ตรงนี้แหละอือหลายคนมันจะเป็นอาการบ้าพระก็ตรงนี้แหละ<อ>พอรู้สึกว่าโอ้หลวงพ่อพูดไผ่อะไรที่หลงไหลไปเรื่อยเปื่อยที่ที่ท่านพูดอะไรนี่เชื่อมอสเลยไม่รู้ถูกก็ผิดเนี่ยอย่าไปอะไรมัน มันแค่แค่ภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉยๆตอนเนี้แล้วเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราต่อไม่ต้องให้มันหายจะหายก็หายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่อย่าทิ้งอารมณ์ปัจจุบันที่เรารู้เนี่ยจะยินเสียงที่ลักขณะจะเห็นที่ลักขณะถ้าได้เกิดฝึกตัวรู้สึกทีละขณะปุ๊บจะรู้จักใช่ไหมรู้จักวิธีกลับกลับมัตั้งตน้นตรงนี้รู้สึกทีละก้าวเหมือนเดิมหายใจกับพิบตาคือ น, น้ําลายแต่ละรอบแต่ละรอบเหมือนเดิมเพราะไอความคิดดีนี่ขึ้นสุดฟักหนึ่งเดี๋ยวก็ดับ อนจะไปห้ามเขาอย่าไปอินกับเขาเออบอกเขาเดี๋ยวจะไปเสร็จก <ian> ่อนแล้วค่อยไปถ้าไปไม่ได้ก็นั่นแหละถ้าเราไปฟุ่งฟูกับมันใหญ่เข้าใหญ่เข้าปุ๊บเราจะไปให้มันหยุดปุ๊บมันจะไปเรื่อยออย่าไปสนใจนั่นก็เถอะมันยิ่งไปสนใจมันจะใหญ่สนใจปัจจุบันเนี้ยอ้าวมึงเดินอยู่นี่มึงรู้ไหมเนี่ยอ้าวเข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็อยู่นี้ต่อแล้วตอนเนี้ยไอที่เข้าใจนั่นแหละไอเข้าใจปุ๊บเนี่ย แล้วเธอสบายไหมเนะี่ยตอนนี้ไม่ไมสบายนะจะบอกให้ทำผู้หรือผู้บอาเธอสบายไหมออันนี้มันไม่สบายแล้วนัเนี่ยมันก็ต้องกลับมาตรงนี้อกลับมารู้สึกทีละขณะนี้ต่อย้ําตัวนี้ต่อเดินตัวนี้ต่อจะคิดกั็คิดไปให้มันตีคู่กันไปเลยมีไอ้นี่ด้วยมีไอ้นั่นด้วยอะไรนะให้มันมีทั้งสองคู่เลยแหละมีไอ้นั่นไปด้วยแล้วก็มีอตัวนี้ไปด้วยอ่ดูเขาดูเขาทีนี้ตัวรู้สึกตัวเราจะได้กลับมา อย่าให้ว่าเขามีไอ้นี่จนไอ้นี่ไอ้ข้างนอกนี่หายไปเลยอ่ะาหูจมูกกลิ่นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นหายไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันจะมันจะจมเข้าไปข้างในถ้าเรามีไอ้อันเขาก็มีไอ้นี่นเขาก็มีอยู่ด้วยปุ๊บมันจะเริ่มเห็นว่าเออเนี่ยคือการแยกรูปแยกนามเปน็นย่างงี้ดูข้างนอกไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยตอนเนี้ยมียังตอนเนี้ยหายไปแล้วหายไปแล้วอ่านั่นแหละ กระพริบตามั่งนั่งอยู่ที่ก็หายไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้ไปขึ้นเดินจูงกงก็ขึ้นอีกขึ้นมันไปเหอะแตมาเคยนะมันขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งสามวันสามวันจะ่มันขึ้นเรื่องเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเรื่องเจ็บใจอ่ะแตมาทํายังไงกับบันใช่ไหมเดินไปเดี๋ยวขึ้นเดินไปเดี๋วขึ้นเอาเลยอยากขึ้นนักขึ้นเลยว่าให้มันเลยคือขึ้นไปแล้วก็ทําไปแล้วก็ทําไปอย่างนี้เหรอคะเออใช่ เออแล้วเดี๋ยวมันก็ถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายตัวให้เห็นเนี่ยสลายตัวให้เห็นอย่าพยายามไปทำอะไรแล้วก็อยู่ของเราไปอยู่ของเราไปในมาเคยเนี่ยมันมีความเจ็บใจอยู่อันหนึ่งที่ว่าเพื่อนล้อเลียนได้เพลงเนี่ยมันขึ้นมาทีไรแล้วมมงหวเพื่อนทุกทีเลย พิภาวนาไปปุ๊บมันก็ไอมันจะร้อเรียนเขาอ่ะมันจะร้อเรียนเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด้อเรียนคําพูดใช่ไหมครับยามมเป็ดมันเดินไปมองแล้วไม่น่ะดูเลยจาไว้เถิดเอ้ยเอ้ยจงอย่าเดินเหวินเป็ดเนี้ยแต่ก็จําได้แล้วมันชี้ว่าเราอ่ะแต่ตัวมันใหญ่อะไรมันไม่ได้พอมันเดินงูจงโกงมาคิดขึ้นมาภาพไอคนนั้นขึ้นกูอยากจะไปตบจะเป็นชกจะไปต่อยกับมันนะอ้าทํายังไงก็ไม่หายท่องเลยทีิงิ้ท่องมันเลย ร้องมเลยมึงอย่าลืมนะมึงลืกไปท่องต่อองี้ลืกไปท่องต่อลืมไปท่องต่อสองไอ้วันแรกเนี่ยทั้งวันเลยแล้วก็เดินจงกรมไปด้วยแล้วก็ท่องไปด้วยวันที่สองสักพักหนึ่งมันหายหายไม่ได้ท่องอีกท่องอีกอันนี้คือเรื่องเจ็บใจเมื่อกี้หนูเดินแล้วหนูรู้สึกลำคาญนลำคาญว่าไม่ไหวแล้วต้องมาทาอาจารย์แล้วมันลำคานไม่ไม่ต้องไปใส่ใจมัน ไอ้ที่รําคาญนั่นคือคื อ, อยาลมหนึง่งเราก็ให้มันฉีดไปว่ะเออเนี่ยมีเกิดขึ้นมาเดี๋ยวราคาญที่แรกก็ชอบใจที่แรกก็พอใจเฉพาะหนึ่ง ก, ก็รําคาญใจให้มันเห็นว่ะเออมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะเมื่อกี้แบบมันชื่นมันชอบชอบใจมีปิติปราโมทนะตอนนี้มันช่ารู้สึกอึดอัดราคาญแล้วเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาไอ้เราก็มีตัวเนี้ยเป็นตัวเลี้ยงมีตัวเนี้ยเป็นตัวเลี้ยงไอ้ตัวเราเดินเนี่ยรู้สึกทีเท้าไปลื่นลื่นที่ลก้าวลูสึกลักษณะจําอาการลักษณะของที่ลเท้าที่าะก้าวลื่นล่นไป เห็นอาการหนักอาการเบาอาการไหวอาการนิ่งอาการกระทบไปเรื่อยๆได้ยินเสียงอาการของหูว่ากระทบที่มันมีเสียงต่างๆเนี่ยให้ตัวนี้มันชัดเจนขึ้นันชัดเจนขึ้นปุ๊บตัวนั่งก็จะจางเองมันเนี่ยไปฟังเสียงแต่ละเสียงลักษณะของมันให้ชัดเจนขึ้นแล้วมันจะมันจะจางเองนี่คือคือวิธีไม่ได้แก้มันนะไม่ได้แก้มันแต่ย้ายย้ายจิตมาอยู่ตรงนี้ซัเราไม่ได้ไปแก้อารมณ์แต่เราย้ายย้ายความรู้สึกใจเองที่ไปสนใจอะไนั่งมาสนใจอะไนี้ซะ จะเพียงแต่ย้ายความรู้สึกมาดีย๋ยวเราไม่ได้ยยแยกแยะอารมณ์มันไม่ย <laughs> ้ายง่ายออ้าวมันมันไม่เคยชํานานไงแต่ mm hmm. ถ้าฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะชานานที่เวลาย้ายมาปั๊บเนี่ยสิ่งนั้นจะหายหรือไม่หายไม่เกี่ยว mm hmm. ต้องต้องอย่างนี้ไม่ใช่เราย้ายแล้วมันหายไม่นั่นคือเราพยายามจะทําไม่ใช่ย้ายความรู้สึกแต่ย้ายความรู้สึกนะเอาก็ายังรู้สึกตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นก็จะหายก็ได้ไม่หายก็ได้เ <laughs> นาะต้องค่อยค่อหัดไป อ่ายังไม่ต้องไปก็เล้เอายบอ้อมเป็นไงบ้างชาๆรู้ทีละขนาดเนี่ย่ก็คืออย่างเวลาเราก้าวค่ะมันก็รู้หลายอย่างนะคะทั้งพื้นที่พื้นด้วยหรือว่าเรากระทบสัมผัสนะคะหรือว่าได้ยินเสียงด้วยเจ้าคะ อ, อันนี้คือคือบางทีมันเหมือนกับรู้รวมอะคะ่ะบางทีก็จะรู้ชัดแค่ไห น, น, นมากหรือว่ามรอน อ่างผีบางครั้งค่ะก็จะชัดอันใดอันหนึ่งบางครั้งมันมันเหมือนมาพร้อมกันเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอเดินไปแล้วเมื่อวานนี้จําได้พระอาจบอกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนท่าเดินการไม่เปลี่ยนท่าเดินหมายถึงว่าจากเดินปกติไปเป็นถอยหลังหรือว่าเดินขาเดินเร็วใชคะพระพอืจาตอนเนี้ยก็คือเดินท่าเดียวแล้วก็แล้วก็พอเดินแบบสบาย คือสบายนี่คือมันสบายใจมันก็เริ่มรู้หลายอย่างมากขึ้นนะการเที่ยวตัวหรือน้ําหนักอย่างนี้นะคะหรือว่าบางๆทีนี้มันเหมือนกับไปประคองด้วยใช่ไหมเจ้าคาะอาจารย์อืมอืมอืมอืมอืมอืมมันมีมีส่วนอยู่เพราะเมื่อมันสบายปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกถึงการประคองประคองรักษาถ้าอย่างนั้นนะบางครั้งเราก็ต้องอย่างครั้งครั้งเราต้องปรับให้เยอะขึ้นเพื่อไม่ให้มันสนใจ เพื่อแม้มันใส่ใจเพราะบงทีถมันสบายปุ๊บเนี่ยมันจะไปเริ่มไปประคองไปรักษาอีกเพราะว่าไอ้ฝ่าวันเนี้ยมันชอบมันชอบจะยิ่นเข้าไปเอาไปแต่ทั้งหมดนะจะให้มันประคองบ้างแต่ถ้ามันประคองนะรู้อาการประคองนั่นคือการไม่ประคองแต่ถ้าประคองโดยไม่รู้อาการประคองนั้นนั่นคือการประคองแค่รู้ว่าอันนี้นี่อาการประคองลักษณะอาการประคองเป็นอย่างนี้นะแต่เรารู้ต่อเดี๋ยวมันจะหายเลย ไม่ต้องไปบางทีเราไม่ต้องไปปรับอะไรด้วยซ้ําแล้วเราก็เดินระระดับเดิมเราดูสิมันจะเป็นยไงต่ออ่าประคองคือประคองรู้ประคองแล้วเราก็เดินนอาต่อเราก็จะเห็นอาการประคองคือยิ่งสบายยิ่งอะไรมันจะมีมีมีอะไรที่โผล่ซ่อนขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวประคองอ่าเดี๋ยวประคองบ้างเดี๋ยวสบายใจบ้างเดี๋ยวภาลนาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเป่าโล่งโปร่งสบายบ้าง ให้มันเห็นพวกนี้เป็นเรื่องปกติคืออารมณ์หนึ่งนั่นแหละเป็นลักษณะหนึ่งขอมันที่เราจิตกําลังศึกษาอยู่แต่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนตัวเองใหม่แต่บนเราแหละจิตกําลังศึกษามันอยู่ไม่เป็นหาอันนี้คือจิตกาลังศึกษาข้างในจิตกําลังศึกษาอารมณ์ข้างในอยู่นั้นอาการอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บจิตก็จะเรียนรู้อาการนั้นทันที มันไม่ใช่การต้องหนีหรือต้องแก้ไขหรือต้องหวาดกลัวอะไ ร, ร, รใช่ถ้ามันหนีมันแก้ไขหวาดกลัวก็ต้องรู้ดูอาการหนีอาการแก้ไขอาการหวาดกลัวนี่ก็คืออารมณ์หนึ่ง ท, ที่จิตมันกาลังศึกษายอยู่ mm hmm. เพราะบอกแล้วว่าเรื่องภายในจิตนะมันมีลักษณะมันที่เยอะมากทีน mm ี้คําถามต่อก็คือว่าการที่เราจะเปลี่ยนท่าที่พระาจารย์สอนอย่างเช่นพระจารย์สอนก้าเอ่อ เอาเท้าไปเปลี่ยนเท้าหรือว่าก้าวสอยถ่างเนี่ยการที่จะเปลี่ยนพวงนันเนี่ยเมื่อไหร่เราควรทำดูดูความเหมาะสมของมันอ่ะคือดูฟะดูจังหวะถ้าจังหวะที่เคยว่าจังหวะที่มันอย่างอตรงเนี้ยอย่างเราเนี่ยจังหวะเนี้ยเดี๋ยวต้องสลับบ่อยๆเพรจิ๋มเข้ามาแล้วต้องดึงออกต้องดูจังหวะของมันเออทามันไปได้แล้วปุ๊บไปเลยถ้ามันไปไม่ได้ปุ๊บต้องเปลี่ยนกลับให้มันออกมามันออกมาให้หมอดูจังหวะดูจังหวะค้าเหมาะสม เออถ้าตรงนี้มันยังไปบันไดอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเนี่ยไอการปล่อยตรงนี้เพื่อลดเจตนาเพราะไอไอการที่ที่พูดไอการพาออกเนี่ยมันต้องมันต้องมีความเจตนาและตัวเจตนาที่ที่เกิดทำนี่แหละมันจะเป็นอุปสรรคต่อไปที่ทําให้ตัวอัตโนมัติเกิดขึ้นไม่ได้ตัวเจตนานเนี่ยทีนี้ถ้ามันเกินไปเราก็ใส่เจตนาลงไปหน่อยที่จะช่วยแต่ถ้ามันไปได้แล้วลดเจตนาลงแต่ฝืนที่จะเรียนรู้มัน ที่จะไม่ทาอะไรเรื่องึกฝืนมันโดยการใช้ศีลกายกรยกรมกับวจีกรรมที่ไม่ให้ปรับร่างกายบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราปรับร่างกายบ่อยๆปุ๊บมันจะทําตามอารมณ์เนี่ยตอนนี้ศีลจะขาดอีกคือกยายกรรมเนี่ยนะบางทีฉันเบื่อเดิอนอย่างนี้ฉันพลิกไปอย่างนั้นเบื่อเดีออย๋ยวนีน้ฉันพลิกไปอย่างนี้นนเนี่ยี่ยมันจะทำตามอารมณ์เบื่อเพราะอารมณ์เบื่อมันจะมาใช้ร่างกายแทนใช้แทนใช้คําพูดมันต้องทันมันด้วยนะรางกายเป็นการใช้อารมณ์เบื่อใช่ แต่ถ้ามันเบื่อเอาเบื่อใช่ไหมฉันก็เดินต่อไปเดินต่อไปในท่าเดิมไม่เปลี่ยนท่าเดิมคนจนกระทํามันหายแล้วจะเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่เราแต่างทีมันเนรีย็นเออต้องดูดีๆหเราสนุกหมายถึงว่าเอออาจารย์บอกไงนันแหลนั่อยงเง้เปลนเปลี่ยนท่าเอ้ยเปลี่ยนรัศดาเปลี่ยนดีอ่านั่นแหละต้องต้องดูแต่บางครั้งก็ต้องกลับบ้านกลับด้านบ้างคืออย่าไปใจตัวมึงที่กลับบ้านอะเปลี่ยนดีแล้วเอาเราไม่เปลี่ยนดูซิมมนดีี้ยยอ่างเ เปลี่ยนดีก็ได้ไม่เปลี่ยนดีก็ได้เปลี่ยนไม่ดีก็ได้เปลี่ยนไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยมันจะต้องให้มันแบบคือในเงื่อนไขของมันนะมันจะต้องให้ไม่มีอะไรเป็นเป็นมาตรฐานนีแต่ว่าตัวรู้จะเป็นมาตรฐานแต่อารมณ์ไม่มีมาตรฐานทั้งสิ้นมันจะมาแบบไหนก็ได้แต่เราใช้ตัวรู้เป็นมาตรฐานไว้รู้ลักษณะรู้ลักษณะรู้วิธีการรู้การบงการรู้การสั่งการรู้การจัดการรู้การแทรกแซงของมัน แต่บางทีนะเจ้าค่ะเราก็ไม่ทันเออเข้าใจอยู่นะอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ความไวของสติสมาธิปัญญาของเราเองก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆสะสมไปสะสมไปแต่ทุกครั้งที่มันเสียท่าน่ะแต่มันมีการเรียนรู้ปุ๊บมันจะจดจํามันไวแต่ถ้าเสียท่าแล้วไม่มีการเรียนรู้อ่ะการจดจําจะไม่มีเออกูเสียท่าบุญหรออ่าเดี๋ยวจะมาเที่ยวสองเที่วสามนี่เอาละก็ต้องค่อยๆทำนะเจ้าค่ะเรื่องการจัดการค่ะคือ เมื่อ่านเนี่ยง่วงเจ้าข่าพระอาจารย์ตอนหน้าเนี้ยก็เลยพอรู้ว่าเริ่มง่วงนะคะก็มีวิธีเลยก็คืออย่างเช่นท่าที่พระอาจารย์สอนหรือว่าลองลองเที่ยวนะคะหันไปมองซ้ายมองขวามันก็ทำให้คลายพามง่วงได้แต่ทรัพักก็จะมาทีนี้มันเป็นการจัดการใช่ไหมเจ้าขาแบบนี้นะค่ะใช่ เป็นการจัดการแต่เป็นการจัดการช่วยให้ประคองให้สติสัมปชัญญะมันทำงานได้ต่อถ้าเราไม่จัดการเลยแล้วบุ้มจมมันหายไปเลยเนี่ยเราต้องช่วยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเข้มแข็งแล้วเราดูมันเฉยเฉยอันนี้ก็ต้องมันทุกอย่างมันไม่มีตายตัวว่าจัดการอ่ะที่เราจัดการเรามีเหตุเหตุปัจจัยให้การจัดการเรามีเหตุใช่ไหมว่าเราต้องการประคองไอ้ตัวนี้มันหน่อยไม่ให้มันหนักจนเกินไปเราแค่ประคองให้การปรับเปลี่ยนพอมันดีแล้วเราก็ทําที่ทํารูปแบบเดิม อันเนี้ทีก็ใช้วิธีพระาจารย์ก็คือว่ามิจฉีได้ลองใช้ท่าทางตอนนี้ลองนั่งดูเลยดูนะคะการนั่งดูคือถ้าเรายกมืออยู่เราก็ไม่ยกะคะ่ะก็ดูเฉยเลยเพราะว่าตอนยกมือสังเกตว่ามันมีการช่วยด้วย่ะคะการยกมือพอรู้ตัวรู้มาเ น, น, นี่ยค่ะเธอทาให้ความง่วงเนี่ยอ่อนลงนะคะทีนี้อีกครั้งหนึ่งก็ลองใช้วิธีดูเฉยเลยคะ่ะการดูเฉย พอเราได้ยินเสียงเรารับรู้เสียงหรือว่าอย่างอื่นหรือว่าการด้างของเราเรารู้สึกต้องหนักเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัวตวรเนี้ก็จะทําให้กําลังของความง่วงก็อ่อนลงด้วยใช่ใช่ถูกต้องคือถ้าร่างกายชัดเจนนะอาการง่วงก็จะเจือจางถ้าอาการง่วงชัดเจนนะให้สังเกตเลยร่างกายจะหายไปไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวช็อตพัดเขาก็มาเขาก็มามาไปไปเขาอยู่กันไปเออเขามาเรากจะเห็นอาการหนักของเขารูปหนึ่งแล้วก็เห็นการหลุดหายวาบหนึ่ง ก็จะสังเกตการโอนีไม่ง้อมันมหนักนะอ่าหายไปแล้วหนักนะหายไปแล้วให้จิตมันได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันก็แค่นี้แหละมันมาวูบนึ่แล้วก็เบาหนักตอนมาหนักมากเลยหุดเบาต่อมาหนักมากเลยแล้วหลุดเบาให้มันมันเห็นพวกนี้ยมีเห็นไใ้พวกนี้อ๋อมันก็นนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแบบนี้เองไม่ชะไม่จะไปทะเลาะเบาแหวงหรือโมโหเกี้ยวกราดเหมือนเมื่อก่อนนะต้องทําท่าทางจิตใจดีๆจิตใจในการศึกษาเนี่ยไม่ใช่มีการทะเลาะเบาแหวก เขาจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่เราก็ได้ได้เรียนรู้ความมาของเขาและไปของเขาให้มันชัดๆัดใจเราก็จะได้เริ่มเข้มแข็งว่าอ๋อมันแค่นี้เองแต่เมื่อก่อนเ น, น, นี่ยโอ้โหมันจะฟัดเราจะท่างโอ้โหฟัดโหววีงเลยจะอ่อนเสียเพรียงไปหมดเลยเนื่องจากผมีกำลังในการศึกษาเขาดูไปเนี่ยดูไปไม่รังเกลียดเขาแต่ก็ไม่สมยอมกับเขาแต่สังเกตเขาอ่ะเขาต่างกันได้ยังไงระหว่งรรางความง่วงกับความตื่นต่างกันแบบไหนใช่ไหม แล้ว่วงมันจะมีหลายท่าทงนะมันจะมีอะไรอีกเย็บเย็บเยอะแยะง่วงนิดนิดง่วงหน่อยหน่อยก่อนง่วงเป็นยังไงอีกก็เริ่มหาวมาก่อนเริ่มหนักตัวก่อนแล้วค่อยหนักค่อยตาค่อยหลับแล้วค่อยแล้วก อ, อ้วมันเยอะแยะเลยกระบวการขั้นตอนของ ม, นะมันนะยิบย่อยมันแต่เราเราก็ค่อยๆศึกษาไปแก้อาการดังสังเกตบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมตั้งแต่เขาค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆก่อตัวถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้มันมันเยอะเกินไปปุ๊บแล้วก็สลัดคืน สลับคืนซะให้มันหายเพราะฉะนั้นการที่พี่ตาบอกว่าดูมันก็คืออาจจะดูได้สองอย่างคือสมมุติว่าเรายกมือหรือเดินอยู่ใช่ก็ยกมือด้วยเดินไปด้วยแล้วก็ดูเขาไปหรือเราอาจจะพักนั่งเฉยๆก็ดูเขาเออนั่นแหละเออแต่ดูเขาอ่ะเวลานั่งเฉยๆดูเขาอ่ะต้องสังเกตตัวว่าเราฐานกายเราหายไปไหม<อ>ถ้าดูเขาแล้วฐานกายหายไปเนี่ยต้องขยับช่วย แต่ดูเขาละไอฐานฐานข้างร่างกายเนี่ยคือให้สังเกตเลยว่าเท่าเข้าไปข้างในเนี่ยอายตนะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะดับจะไม่รับรู้เลยอันเนี้ยมันจะโซ่ไปตัวผงบอกแล้วโอเคเราเข้าและแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บตาหูจมูกลกิ้นกายยังมียังมีความรู้สึกอยู่ด้วยนี่แหละเป็นจังหวะที่เราได้ศึกษาได้ดีเพราะตัวรู้เราจะไม่จมมันยังมีฝากฝั่งนี้อยู่ด้วย ฝั่งปัจจุบันยังเหลืออยู่แต่ฝากฝั่งของอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นให้เราได้ศึกษาแล้วอารมณ์นั้นมันจะไม่รุนแรงไปครอบมันเลยมันก็เลยจะมีจังหวะของการไอตัวรู้ที่จะอยู่เนะี่ยเห็นทั้งสองฝากฝั่งได้เนี่ยต้องดูสังเกตอย่างนี้ถ้านั่งดูเฉยๆแล้วมันหายไปหมดเลยเนี่ยต้องช่วยอย่างเช่นนั่งดูแล้วก็เริ่มเบือ่อค่ะเพราะว่ามันอยู่เฉยๆค่ะก็รู้สึกสึงอาการเบื่อใช่ถูกต้องอ๋อเนี่ยคือการนั่งดูเนี่ยนั่งดูปุ๊บอะไรไม่จะโผล่มาก็ดูแบบนั้นแหละ ท่านจะนั่งดูนะพอเบื่อก็โผมาเบื่อก็ดูโผเบามาดูเบาโผมากก็ดูเบาหนักโผล่มากก็ดูหนักวุ่นโผมาก็รูวุ่นสงสัยโผมาก็ดูสงสัยก็ท่านนั่นเองมันจะนั่งดูเขาจริงๆเนี่ยคือไม่ทําอะไรให้เขาทําให้เราเห็นเนี่ยหลักการในการเป็นผู้ดูจริงๆอ่ะคือหลักการการผู้ดูเหมือนก็การดูละครดูหนังดูมวยดูริเกดูอะไรนั่นแหละมันจะโผแล้วโผลก็เลยเราก็แค่นั่งดูมันเฉย เนี่ยถ้าตรงนี้มากเข้ามาเข้าปุ๊บฟามมันจะวัดถึงตัวอุเบกขาเฮ้ยมึงดูเฉยๆได้ไหมถ้ามึงแทรกแซงเขาเนี่ยอุเบกขายังไม่มีถ้ามันดูเฉยๆได้โดยไม่สะทกสะท้านสะตุ้งสะเทือนหรือดีใจเสียใจกับเขานะแสดงอุเบกขาเริ่มเริ่มเยอะขึ้นจิตอุเบกขากับสมาธิจะมาด้วยกันจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วปัญญาก็จะศึกษาได้ดีขึ้นแต่ถ้าดูแล้วปุ๊บยังยังวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายแสดงอุเบกขากับสมาธิน้อยลง ก็ต้องช่วยอีกแล้วไอ้สามสามสี่อย่างเนี่ยก็กลับไปกลับมาแล้วแต่จังหวัดเรื่สุดท้ายเจ้าพระพาชานก็คือเมื่อคืนก็เจอปัญหาเรื่องของการนอนดิบเพราะว่าพอพอเก็บอารมณ์ตอนที่ไม่มาทาวัดก็เดินเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็มีผลถึงตอนกลางคืนก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราก็ตื่นมาเดินหรือนั่งเลยดีที้า ก็ได so, oh, yeah, ้ถ no. uh, so right. so mm. ้ามันไม่ร่างกายไม่ไม่เพียแงเกินไปก็ตื่นที่เท่าไหร่ถ้าตื่นอ๋อหมายถึงว่าตื่นก็คือไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยแล้วก็เสียงหนูหนูอะไรก็มาแล้วก็นอนเราเราก็นอนร้อเฉยๆนอนดูรู้สึกไปเรื่อยก็นอนสุดไปเรื่อยก็ได้นอนนอนเรื่อยๆเพราะบางทีเราอาจจะตัวไอ้ไอ้ใจไม่หลับแต่นอนนิ่งๆให้กายมันพัก นอนนริงๆแบบผ่อนคลายไปแล้วมันให้ใจให้ให้ให้กายมันพักไปนะแต่ถ้าเราออกมาเคลื่อนไหวปุ like ๊บร่างกายเราจะจะมานั่นแล้วมันจะมาพลีเอาที่หลังบางครั้งเราก็ต้องนอนจร่งๆให้ร่างกายแต่จิตไม่พักก็ช่างมันจะให้ร่างกายมันได้พักรามันอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เราต้องดูอแต่บางทีนอนเมื่อคืนตื่นมาทีสองไม่หลับนอนเฉยๆให้ร่างกายมันพักแต่ว่าอาการรับรู้ก็ทำหน้าที่ต่อ แต่ร่างกายก็พักแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะหลงวูบหายไปสักนิดหนึ่งเหมือนกับหลับแบบจ้าหลับอ่ะติ๊กเดียวตื่นก็เห็นอาการอาการอย่างนี้มันจะค่อยๆเขา้ขามาหลับเีลย็่ึยๆมืด ๆ, ๆหายแวบไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่อย่างมันอย่างน้อยก็ให้ร่างกายมันได้ได้นั่นก่อนเมื่อได้เวลาแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดย์ๆได้นอนให้ร่างกายไม่ได้พัก ถ้ไมไงัเราออกขึ้นมาเดินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกลางวันเราจะหนักเพราะร่างกายเราไม่ได้พักแล้วต้องต้องต้องต้องรู้จักด้วยแต่ทิ้งจิตมันไม่พักก็ปล่อยรับรู้ไปจะปล่อยให้ร่างกายมันนอนนิ่งๆประมันเนี้ยอือ๋อถ้าเป็นจริงๆปุ๊บมึงเคยหลับทั้งคืนเลย<ช>อืมแต่กลางวันก็ไม่ง่วงง่วงเจ้าจหาแต่เนีออ่าอก็ลองลงดูแล้วกันบางทีเนี่ยเราก็ค่อยๆหัดมันมัน็ค่อยๆสังเกตมันดีๆแล้วกัน บริหารจัดการมันให้ดีไอ้สังเกตง่ายๆว่าถ้ามันเข้าในนะข้างนอกจะหายหสังเกตไปเลยถ้ามันเข้าไปข้างใน้วความคิดในอารมณ์อะไรต่างๆการรู้สึกข้างนอกเราจะหายไปเลยทั้งหมดเลยอยายตนะทั้งห้าเนี่ยจะหายไปตาก็มองอะไรไม่ชัดหูก็ฟังอะไรไม่ชัดร่างกายก็วางอะไรไม่ชัดเห็นลักษณะมันไม่ชัดแต่ถ้าตาหูจมูกกลิ่นกายเนี่ยสัมผัลสลักษณะยังชัดอยู่เนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวรู้สึกเนี่ยมันออกมาอยู่กับรูปอาศัยรูปอยู่ แล้วก็สลัดตัวเองออกมาจากน้ําและน้ําก็จะผ่านตัวเองไปได้ง่ายๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เวียนหลายรอบเนี่ยเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันจะมีเรื่องให้เห็นเยปั๊บปั๊บปั๊บที่ครู้สึกว่าการการเห็นที่ที่รู้ว่าเป็นยังไงไม่เคยตั้นตั้นมาตันแต่เกิด้าไม่เคยเห็นที่แบบรู้เลยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะอ่าใช่นั่นแหละเหมือนกับว่าตอนตอนที่เราเห็นใหม่ๆนะ เหมือนแบบว่าใบไม้อ่ะมันเหมือนกับยิ้มเมนมันสดชื่นใา่ะแตจะเห็นชัดแต่ความที่เราบ้าเลยือกแป๊บเดียวมหายอั่แหละเวลามันจะชัดเจนเนี่ยมันดูดูสีสันของใบไม้ดูรูปลักษณ์ของใบไม้ดูลักษณะของใบไม้ดูต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันสดใสมากเลยเวลาตัวรู้สึกมันสดมันมันมันเผยออกมาจากอารมณ์ของความคิดเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยเหมือนไม่กมองเหมือนกลุ่มฟันที่เขาจะคลุมเราอยู่ แต่วันแล้วเราหลุดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเราดูอะไรเนี่ยมองอะไรเนี่ยแต่มาเดี๋ยวนี้เราสังเกตแค่ตรงนี้แหละถ้ามึงมองลักษณะอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมึงมองยังได้ชัดเจียวชัดเจียวชัดเจียวชัดเจียวแสดงว่าจิตยังอยู่ที่นี่แต่ถ้าเด้อไปหมดเลยเนี่ยแสดงว่าออกไปแล้วถ้าอาจารย์พูดว่าเราเรารู้เรารู้ได้หลายทางหนูเพิ่งเห็นเมื่อวานนี่เองโอ้เรารู้ด้วยตามกันอย่างนี้เองตอนแรกรู้แต่การเคลื่อนไหวอย่างเดียวเลยถ้าไม่ใช่เคลื่อนไหวหนูไม่รู้ ถ้าหยุดเคลื่อนไว้ปั๊บอ่ะอุ้ยเราจะอยู่ไหนเนี่ยคือ <Yeah. S 1> ไม่รู้ไปอยู่ไหนนอแล้วก็เห็นว่าค้าอุ้ยแล้วก็เลยนั่งมอ ง, งอยู่สิบนาทีอากาวจะฟังบ้างเหรอแล้วมันก็หายนั่นแหละมันไม่บอกว่าเออวิธีนี้ก็ได้เคยจะมายพยายามจะสอนว่าเพราะหลายคนในวิธีหลวงพ่อเทียนเขจะสอนให้เน้นอยู่กับฐานกายฐานกายฐานกายแต่ว่ามันมีอีกตัวอื่นแค่เลยเยอะแยะ <Okay. S 1> ที่ว่ามันอยู่มันอยู่กับฐานปัจจุบันน่ะ จะกระทบอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่มันอยู่ในฐานปัจจุบันเนี่ยมันเป็นฐานที่ที่ที่ดีตรงนี้นะเจ้าคาะอาจารย์ก็เลยติีความคาดเคลื่อนคือออกมาเพื่ออยู่กับตรงอื่นก็ได้เลยไปอยู่อันนั้นก็อีกแต่เอินหรือด่างเลยไม่ค่อยได้อยู่กับแต่มันแต่มันก็ยังดีฝากเข้าไปจมข้างในนะอาจารมาก็เห็นอยู่เหมืนกันว่ามาเห็นตรงเนี้ยเวลาออกมาพวกมันจะวิ่งออกมาเล่นอยู่ข้างนอกข้างนอกอแต่ว่ามันก็ยังดีฝาจมทีข้างใน แต่ถ้าออกไปนานเข้าวหนังก้าวปุ๊บมันก็วกเข้าไปข้างในอีกจะอ้อมไปข้างในอีกแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บแล้วถ้าเรามีฐานกายมั่นคงเพราะว่าในฐานกายปุ๊บก็จะมีตาหูจมูกลิ้นอยู่ที่ฐานกายด้วยเราเราก็เลยแค่สังเกตแค่ตรงนี้พอไอ้พวกนั้นเราไม่ต้องไปสังเกตไอ้พวกนั้นมันจะเข้ามาหาเราเองพอเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายปุ๊บมันจะขยายไปสู่ฐานอิจตนะเพราะกายกิจตนะก็อยู่ด้วยกันแต่ก็ทํางานต่างกันเฉย แต่เขาอยู่บนฐานของกายนี่แหละมันจะเกิดภาวะการรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกอายตนะในในในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่มันก็ไปอยู่ตาตาก็ไปอยู่รูปสะจะลืมตาของตัวเองไปอยู่เสียงไปอยู่ที่เสียงสักจะลืมหูของตัวเองเนี่ยมันก็จะหลุดไปอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกินไปแต่ว่าไอ้เกินไปมันก็จะเตลิดพอเตลิดไปนี้ปุ๊บมันจะเริ่มไปสู่ความคิดข้างในอีกแหละมันจะอ้อมเข้าไปสู่ความคิดข้างในโอ้รูปนี้สวยจังเหมือนที่บ้านเราเนัะไปแล้วธอเนี่ย มันจะไปอย่างนี้แต่ถ้าเราฟัอยู่เฮ้ยเอ Rider ้าร e oh, oh, ูปพ so ่อตาเห็นโอ้หูได้ยินเสียงอ๋อพ่อหูได้ยินเนี่ยมันก็จะมาจะมีสติอยู่กับอายตนะทั้งนี้สติจะเกิดสติก็จะเกิดอยู่ในอายตนะทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สติก็จะเกิดอยู่กับใจแล้วพวกอารมณ์ต่างๆเขาก็ลายล้อมเข้ามาหาเราแล้วก็ผ่านเรามาหาเราผ่านเรามาหาเราผ่านเราเราไม่ไปหาเขาแล้วใช่ค่ะเขาเล่าที่คนเริ่มเริ่มเห็นว่าอ๋อการเห็นเรารู้เป็นอย่างเนี้ย เสียงมันก็เริ่มดีขึ้นนะเอนแบบอ๋อการเห็นกันมีสติจากเสียงอย่างนี้คือก่อนหน้านั้นก็อาจารย์พูดเท่าไหร่มันก็แค่ฟังครับอาจารถ้าจาถ้าเข้าใจเข้าใจแต่จริงๆไม่ได้เข้าใจเลยเข้าใจอมันต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกแล้วมันก็จะค่อยๆเจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะพระอาารตอนแรกเข้าใจว่าเสียงที่เราได้ยินอนี าเสียงนกเนี่ยก็ น, นี่ก็คือปัจจุบันแล้ว ค, คือยังนิยที่ถึงเรื่องผูกเ น, นี่ยค่ะค่ือ่าอ่าก็เป็นปัจจุบันจริงอยู่แต่ปัจจุบนนันไหนเพราะว่าดูปัจจุบันนั้นนะ่ะแต่สถานที่เกิดมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงโน้นต้องดูให้ดีๆเนี่หวนคือสถานเนี่ยมันเหมือนกับโน้นคือกานส่งมาหาเราเหมือนกับโทรศัพท์มันอยู่ตรงนี้แต่คลื่นมันมาหาโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์ไปวิ่งหาคลื่นเข้าใจตรงนี้ไหมอ่า เวลาเราสังเกตคือพอจะยินเสียงปั๊บเลยมาสังเกตที่นี่มันเป็นสังเกตที่เสียงอรับเราเสียงต่างๆก็สังเกตที่นี่จิตมันเลยอยู่ทุงอายตนะใกล้ๆตัวคือพอได้ยินเสียงคือโูเราถ้าไดยินเสียงนึกว่าเราไม่ได้ดูแหล่งกำเนิดเสียงว่าไม่องไปดูมันจะมาหาเราเองนอกจากวันไหนนอกจากบางเรื่องเราจะสนใจเราก็ไปดูเช่นเช่นให้เสียงนี้นแปลกๆว่ะเนี่ยมันก็จะไปดูเองมันแต่มันไวมาก มันไวจนเราถ้าเราไม่มีสติพอพวกเราจะเห็นการทำงานของ ม, มันออกจะเผลอเพลินไปโดยกลายเป็นสัญชาตญาณไปหมดเลยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆพวกมันมันจะค่อยๆฟื้นฟูมันนะ ว, ว่าเนี่ยการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมมีสติอยู่กับการได้เห็นสติกับการได้ยินสติกับตาหูจมูกกริ้งกายเนี่ยมันมีอย่างนี้แหละแล้วก็มีสติอยู่กับใจที่รับรู้อารมณ์มนเนี่ยมาชาติเลยพูดเรื่องศีลให้ก็ฟังกัน ก็เลยจะถามพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะว่าตอนเช้ามาฟังได้ไหมเจ้าค่ะพอแล้วเราอ่ะจะค่อยฟังเอาตอนนู้นก็แลกันยอนหลังตอนนี้มีเวลาแล้วก็ลองบ่มตัวเองดูนะบ่มบ่มตัวเองดูไปบางทีก็พูดบางทีก็ไม่พูดแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่เหตุปัจจัยให้มันเมื่อวานเย็นก็ไม่ได้ว่าอะไรไล่กลับว้านแล้วแต่จังหวะของมัน น, นังว้ารีเลยสามวันอาจารย์ให้กับเน<ห>ี่นงยงให้ไปหัด <c ười> ยาฟิลกับพทย <c ười> ให้ไป <c ười> หัดเอาว่างอะไรว่างแล้วแต่เนี่ยค่อยๆดักหัดเรื่อยให้จิตมันคุ้นคินเกีกอยู่กับตัวรู้แล้วต้องเข้าใจด้วยว่ารู้นี้ก็เป็นแค่อปุปกรณ์เท่านั้นเองไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องยึดถืออุปกรณ์ในการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเท่านั้นเอง ให้จิตมันสู่ความเป็นอิสระที่ไม่ต้องยึดติดกับอะไรเลยคืนสู่สภาพความเป็นเดิมของมันพอ้ามันไปกอดตัวใดตัวหนึ่งปุ๊บไอ้ตัวนั้นแหละจะเป็นตัวอุปสรรคในภายภาคหน้าเหมือนกับเรามีเจตนาที่จะทำอะไรเนี่ยเพราะสุดท้ายไอ้เจตนาที่เราทําเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะวางไม่ได้เราจะต้องค่อยๆลดเจตนาลงไงเป็นเข้าสู่แบบให้มันทํางานกันเองให้มันยินเองมัน ยิ่งเาฝึกบอกให้มันได้ยินเองมันให้มันเกิดเองมันให้มหายเองมันฉันแค่รู้มันเนี่ยมันจะยิ่งลดเจตนาลงไปเรื่อยๆตอนนี้เหมือนผู้เดีย่าคือเวลาเราปฏิบัติในผู้เดีดเราจะเรื่องมีอารมณ์ที่ดีอะไรเงี้ยประมาณขึ้นชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอเรามาเจอในชีวิตจําจำวันมันเผชิญหน้าทันทีเราก็เจิดประเจิงตลอดเลย ก็ว่าเหมือนเราปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราเรีเซ็ตมันประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมันมีเวลาให้เราเรีเซตพอไปเจอของจริงเวลาไม่มีเลยก็แบบเมื่ออยู่ห้องแอร์แล้วมาออกเจอที่โลกมลันหละแต่ถ้าเราปรับตัวเองให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่มันเป็นเนะี่ยเพราะว่าไอ้ที่มันเจออารมณ์ที่ดีปุ๊บมันจะไปเกาะอารมณ์ดีไงแต่การภาวนาของเราเนี่ยอารมณ์ดีเราก็ไม่เกาะนะอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่เกาะ เพาะอารมณ์ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีสภาพคล้ายๆถ้าเราฝึกไปมากๆเขาอุเบกขาแล้วมันจะไม่ให้ค่าต่างกันเลยไอพวกเนี้ยมันจะมีสภาพแบบเหมือนกันหมดอ้ามันดีก็โอเคแล้วหายไปไม่ดีแหละก็โอเคแล้วก็หายไปมันมันมันเลยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันรู้สึกแตว่ามันมีสิ่งนี้มาอารมณ์มาแล้วก็ไปทันทัเองมันไม่ได้ไปเลือกกว้างว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะเพราะลองดูสิอารมณ์ดีแค่ไหนเดี๋ยวมันก็หายไปจากเราอารมณ์แย่แค่ไหนเดี๋ยวมันก็หายไปจากเรา แต่ว่าเวลาอารมณ์ดีมาปุ๊บเราจะให้ค่ามันพิเศษกว่าไอการให้ค่าที่พิเศษกว่านี่แหละพอเราอารมณ์ไม่ดีปุ๊บเราก็จะให้ค่ามันเติมเติมมันไปอีกว่ามันไม่ดีนะเนี่ยเราเติมมันไปไงเราเติมความรู้สึกลงไปว่าไอฝั่งนี้ยมันไม่ดีอย่าให้เกิดขอสุดท้ายมันเกิดแต่มาอยู่ที่นี่เวลามันเกิดปั๊บเห็นไมันอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะทําหรือไม่ทําที่ต่างหากไม่ใช่เราเลือกอารมณ์นะแต่เลือกที่เราจะทําหรือไม่ทาตามมันต่างหาก คนละจังหวะกันนะอไม่ได้มันรียนภาวนาในช่วงภาวนาสติเราดีมากแล้วก้าวปับรู้อะไรรู้รูรรแต่พอพอเลือกไม่รูปแบบปับเดินมาแป บ, บียวไม่รู้สติไม่รู่อยู่ไหนเนออนั่นแหละเลยบอกให้หัดยงไงให้หัดฟังเสียงที่ลักขณะให้รับรู้ที่ลับขณะไปเรื่อยเรื่อยเลยเราจะรู้สักสติว่ะถ้าสติมันให้หัดว่ามันเห็นชัดรั้วะ่ะ รู้ทีละขณะชัดรู้ลักษณะชัดนั่นแหละคือสติเกิดให้จับอย่างนี้ไม่ใช่จับอยู่ที่การเดินการสร้างจังหวะแม้แต่สร้างจังหวะเนี่ยถ้ามันยังไม่เห็นลักษณะาการเคลื่อนชัดหนักชัดเบาชั ด, ชดกระทบชัดแล้วก็มันก็จะมีแต่สร้างจังหวะไปแบบไม่เคยมีตัวตัวสติแต่มีตัวสัญชาตญาณความคุ้นชินความเคยชินของตัวเองทำประหยัดท่านจะทําทได้แล้วท่านทําเป็นแล้วแต่มันไม่ได้ลงรายละเอียดไปสู่การขั้งเกตมัน ให้ชัด น, นั้นไอ้ตัวเนี้ยอย่างฟังเสียงเนี้ยเนี่ยเราฟังเสียงพุ๊เนี่ยเราสังเกตเราฟังแค่ตัวเนี้ยเราก็สังเกตถึงลักษณะของเสียงการรับเสียงที่มันมันแตกต่าง ก, กันไปด้เสร็จง่ายอันเนี้ยจังใจกเกินต้องทําแบบธรรมชาติธรรมดาธรรมดาให้มันมาเองมันไม่ใช่อันเงี้ยเอาละ เ, เลือบตาลงแล้วอะไรเก่งจริงแหละเอาละ แ, แต่ว่าทำเป็นธรรมชาติเนี่ยเนี่ยก็นั่งคุยกันธรมธรมดาธรรมดานี่แหละ แล้วมันก็เข้ามาเองมันเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆมันไมนจะเป็นเบาสบายแล้วพอสรางเขตมตัวเนี้ยเบาสบายบ่อยๆเข้าแบบอยๆเข้าจิตเขาก็จะเริ่มเบารู่สบายเริ่มไม่ทางานแต่แล้วเอาละจะฟังแลนนเนี่ยเนี่ยจิตเริ่มทํางานแล้วมีเจตนาใส่ไปแล้วมันก็เลยแยกกันหวังกันดำเนินชีวิตปกติกับการใช่ก่อนตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าคุณคุณคล้ อ, องแคล่วกับการรู้ทั้งสองอย่างหนึ่งรู้แบบมีเจตนา ใส่เจตนาลงไปแล้วเกิดการรู้กับรู้แบบไม่ต้องใส่เจตนาแล้วเกิดการรู้นะรู้จากสองอันนี้แล้วก็ปรับเข้าไปจะใช้ได้อย่างเช่นเราตั้งใจจะรู้ที่ตั้งใจทําขึ้นมาก่อนเมือเมื่อกี้ตั้งใจจะฟังเสียงเนี้ยอันเนี้ยแต่พอเราคุยๆไปปุ๊บเสียงมันมากระทบเองมันอันเนี้ยไม่ต้องใส่เจตนาแต่เป็นพฤติกรรมที่ธรรมชาติก็ทําทำอยู่แล้วเราแค่รับรู้ไปมันจะเบากว่ากันนิดห น, นึ่งอ่าอันเนี้ยถ้าเรารู้สองอย่างสองภาวะเนี้ยเราจะภาวนาได้บางช่วงเราใส่เจตนา บางช่วงเราไม่ใส่ช่วงไหนที่มันโอ้มันไปมากเกินนีว่ะใส่เจตนาลงไปอ๋อมันมาแล้วผ่อนลงมันจะเป็นศิลปะของตัวเองมันติดการตั้งใจตั้งใจเด็กถนัดตัวหนุ่้าขวบถนัดตตโรงเรียนนั่งลิ่งห้าสิบนาทีโดยไม่เคลื่อนไหวแม่เต้นิดเดียวเลยแั่หน้าหิ้งห้าสิบนาทีทำได้บเด็กห้าขวบเรามองย้อนกับว่าเด็กห้าขวบนี้ไม่น่าจะทําได้ ไม่เป็นไรหรอกบาทีเราเราเอาอย่างนี้เวลาเราจะจะรู้จักเวลาสังเกตการที่ไม่ใส่เจตนานะเช่นกับพิพตาก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเ<ม>นี่ยเี้าไม่ได้ใส่เจตนาแต่เขามีอาการเกิดก่อนอันเนี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องใส่เจตนาไปเลยมมไม่ต้องใส่ความตั้งใจเลยสบายๆอ่า<อ>พิพักค่อยรู้กึ่น้ำลายก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยขยับตัวก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยที่มันเหมือนกึ่งเพื่อเพือกึ่งเพลอกึ่งเพลือ กึ่งเผลอกึ่งเพลินแต่กึ่งรู้เออมันมันอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันเผลอเนี่ยมันเผลอมันเพลอแต่มันก็รู้ว่ามันอยู่สบายๆง่ายๆมันเหมือนกับว่าถ้เราไม่เจตนามันรู้ม่ายเลยเนี่ยอ่านี่เนี่ยเนี่ยแหละนี่แหละเครียกว่าเราติดใส่เจตนาลงไปจนถอนเจสถอนจนถอนเจตนาไม่เป็นแล้วตัวเจตนาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาในระดับขั้นต่อไป มันจะไปสู่การเจตนามากเข้าก็จะไปสู่การเพ่งการจ้องการสงบการสะกดมันจะไปอย่างนั้นมันจะขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ได้จะสู่การเห็นแบบการธรรมชาติที่เกิดขึ้นสลายตัวเองไม่เป็นมันจะมีแต่ต้องทําต้องทําต้องทําวันไหนฉันไม่ทำก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วมันจะแยกไม่ชัดระหว่างการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติกับการภาวนาเนี่ยมันจะไปไม่เป็นอือก็รหัดเล่นๆไปหัด วิธีการหัดหง่ายๆคือรู้ตามหลังอาการบ่อยๆกับพิตาก่อนแล้วค่อยรู้แค่นี้ขนาตัวมนค่ะอย่างนี้เลยนะแป้งแบบแข็งเลยแข็งคือเลยอ่าอับคคลายคลใกล้คลายอ่าถ้าเรารู้บ้างแล้วลองดูถ้าเรารู้มันคือถ้ารู้ว่าเพ่งมันจะไม่เพ่งถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเพ่งมันจะเพ่งแล้วนี่ก็เพ่งแล้วนะไก็จะผ่อนถ้าเรารู้ว่าเพ่งเราจะไม่เพ่ง อ๋าอันนี้อาการเพ่งเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะไม่เพง่งแต่ถ้ามันเพง่งโดยไม่รู้เนี่ยนะโอ้โหมันเอาจนตันปวดเมื่อยไปทั้งกระวกเกรงไปหมดเลยแข็งขื่อเลยเอยอ <c oughs> แต่ยังดีนะขนาดเพง่งขนาดนี้มันยังยิ้มได้หัวเราะได้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเพราะมันหน้าดำเข่าเขียนมึนตึบโอ้โหไม่น่าเข้าใกล้อันตรายกลัวจะโด น, นกินเอาบ <c oughs> างคน <c oughs> แต่ยังยิ้มได้เลยโอเคอยู่ บางคนมันโอ้มันภาวนาแล้วมันผิดปกติไปจากชีวิตเดิมเนี่ยมันโอ้โหมันเออมันมันมันมันน่าสงสารไม่ักเลยออกให้เป็นเนี่ยไปเห็นบางคนโอ้โหเอาแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเอาด้วยบอกก็ไม่เป็นบอกก็ไม่ต้องพาออกไปทํางานให้มออกมาทางกายเนี้เลิกสนใจเรื่องภาวนาตายนู่นขุดดินแบกต้นไม้ฝาดใบไม้ทําความสะอาดถุงสลานี่ยเพื่อดึงมันออกมา ยังได้เบาแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้พวกเราจะปรับแเราจะไปได้ต่อหลายคนไปแล้วมันตันกลับไม่ถูกนะครับท่านอนคนนี้ถึงแล้วก็เพื่อนโมตสาที่เราเอานี้เนี่ยค่ะที่เราแต่รับประโยชน์นะครับเป็เวลาที่เป็นอแปลเราก็ขยับอย่างนี้ยค่ะอย่างนี้ได้ขยับยังไงของเราก็ได้ให้รู้ว่าเนี่ยเนี่อาตมาเนี่ยฟังเจอราคาอาตมาก็ทําก็ได้ แต่ตมาไม่จํากัดว่าจะจำอยู่ตรงเฉพาะที่มือนะบางทีก็ที่มือว่างบางทีก็ที่เท้าว่างบางทีก็ที่หัวว่างบางทีก็ที่ตัวว่างอะไรก็ได้ไม่ใช่จําเป็นจะต้องแต่ว่าแช่ทีกนิดนึงแช่สักนิดนึงแช่สักนิดนึงเพื่อไอตัวตัวการแช่เนี่ยเป็นต้นหน่วงเอาไว้ให้จิตก็สนใจกายเท่านั้นเองแลให้จิตได้จำได้จําลักษณะของทีลักษณะได้เป็นการฝึกทักษะให้เขาจำตมาไม่ได้จเป็นจะต้องตรงนี้นะตรงนี้นะต้องอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตมาไม่ พระธรรมจะพยายามอ่ะให้มันกระจายความรู้สึกได้ทุกๆุอย่างไม่ว่าเราจะไปทําอะไรก็สามารถที่จะโอเคได้หมด่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แค่นี้ก็ใช้ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ใช่ไปเออย่างี้อย่างเดียวนะโอ้ธรรมารไม่ยอมให้มันตายตัวแค่นั้นหระกจะพยายามจะให้พยายามไปกีดกันกีดกันวิธีการรู้ของมันมันจะให้มันรู้แบบไหนแบบไหนฝึกฝึกซ้อมให้มันเป็นอิสระและรู้ได้ทุกขณะ ขยายให้มันอยู่ในฐานที่ว่ามันมันสามารถที่จะแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นอันนี้อันนี้นู้นเลยไม่ใช่จะพราะว่ารูปแบบตรงกลๆสร้างจาังหวะดงนั้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าถ้าเราไม่เกิดเปิดให้มันเป็นสัมปชัญญะเมื่อไหร่แล้วมันมันจะไปไม่ยอดแล้วมันจะล็อกก็หล่อล็อกกิแล้วก็จะไปสู่การเพ่งการจ้องแล้วก็สู่สู่การมีการกดการกติกาแล้วไปจะไปสู่การภาวนาที่ลําบากเนี่ยนั่ก็เพ่ง อ, <c oughs> อยู่เนี่ยมันรู้แล้วมันจะไม่เปลี่ยนล้ะรู้แล้วก็แก้ไขละโอเคเอา้า